ข้อที่หนึ่งภิกษุในธรรมมวิเนัยนี้เจริญวิปัสสนาอันมีสมถะนำหน้าเมื่อเธอเจริญวิปัสสนาอันมีสมถะนำหน้าอยู่มักเกิดขึ้นเธอเสพคุนเจริญทำให้มากซึ่งมักนั้นเมื่อเธอเสพคุ้นเจริญทำให้มากซึ่งมักนั้นสังโยชน์ทั้งหลายย่อมถูกละได้อนุสัยทั้งหลายย่อมสิ้นไปนั่นก็คือ วิปัสสนามีสมถะนำหน้าคัมภีร์ปฏิสัมพิธามักอธิบายความหมายว่าเบื้องแรกจิตมีอารมณ์หนึ่งเดียวไม่สซ่านสายมีสมาธิเกิดขึ้นด้วยอํานาจเนฆะ ม, มะก็ดีคือด้วยความคิดสลัดออกไม่โลภไม่ปัวพันในกามมีสมาธิเกิดขึ้นด้วยอํานาจอภยบาศคิดเมตตาด้วยอารมกสัญญาทําใจนึกถึงแสงสว่างไม่ให้ง่วงเหงาด้วยอวิเคปะ คือความไม่ฟุ้งซ่านปราศจากอุทธจักรด้วยธรรมะวะวัตฐานการกำหนดข้อธรรมซึ่งทำให้ไม่มีวิจิกิจฉาด้วยญาณคือความรู้ด้วยปราโมทความแช่มชื่นใจก็ดีมีสมาธิเกิดขึ้นด้วยอำนาจปฐมฌานทุติยฌานตัตยฌานจะตุทะฌานด้วยอำนาจอากาสานัญจาตนะสมาบัตวิญญาณัญจาตนะสมาบัต อากินจัญญาญาตนะสมาบัติเนวะสัญญานาสัญญาญาตนะสมาบัติก็ดีมีสมาธิเกิดขึ้นด้วยอำนาจกสินสิบก็ดีอนุสติสิบอสุภะสิบหรือวิธีปฏิบัติต่างๆเกี่ยวกับอาณาปานสติ32รายการก็ดีไม่ว่าอย่างหนึ่งอย่างใดก็ตามครั้นแล้วเกิดปัญญามองเห็นแจ้งซึ่งทำทั้งหลายที่เกิดแล้วในสมาธินั้นๆว่าเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตา อย่างนี้เรียกว่าสมถธามากนวิปัสนามาหลังคือเป็นสมาธาัธปุพพังคมะวิปัสนาอัตกถาอธิบายให้เข้าใจง่ายขึ้นอีกว่าตามวิธีปฏิบัติอย่างที่หนึ่งนี้ผู้ปฏิบัติทำสมถธาคือสมาธิให้เกิดขึ้นก่อนจะเป็นอุปจารสมาธิหรืออั ป, ปนาสมาธิก็ได้จากนั้นจึงพิจารณาสมถธาหรือสมาธินั้น ไม่ว่าจะเป็นอุปจารสมาธิหรือฌานสมาบัติชั้นใดก็ตามกับทั้งทาอื่นๆ ท, ทั้งหลายที่ประกอบร่วมกับสมาธินั้นให้เห็นสภาวะที่เป็นของไม่เที่ยงเป็นต้นจนอริยมรรคเกิดขึ้นทำเจ็ดประการที่ทําให้สมาธิเกิดขึ้นซึ่งได้กล่าวในตอนต้นได้แก่เนเข ม, มะอพยาบาทอโลกสัญญาอวิเขปะธรรมะวะวัฐานญาณและปราโมทนี้ คมพีปฏิสัมพิธามักใช้เป็นหลักสำหรับแสดงการเกิดขึ้นแห่งสมาธิระดับอุปจาระแก่พระสุขวิปัสสะและช่วงที่กล่าวว่ามีสมาธิเกิดขึ้นด้วยอำนาจปฐมฌาน ท, ท, าานตทาานุติยฌานตติยฌานจตุตฌานด้วยอำนาจอากาสานัญจายตนะสมาบัติวิญญาณัญจายตนะสมาบัติอากิจัญญานตนะสมาบัติเนวสัญญานาสัญญายตนะสมาบัติก็ดีด้วยอำนาจกสินสิบก็ดี อนุสติ10อสุภะ10หรือวิธีปฏิบัติต่างๆเกี่ยวกับอนาปานสติ32รายการก็ดีนั้นความจริงยกมาแสดงเพียงแค่เนวสัญญานาสัญญายตนะสมาบัติเท่านั้นก็เพียงพอเพราะชานสมาบัติก็จบสูงสุดเพียงแค่นั้นแต่ที่ท่านแสดงข้อธรรมต่อๆมาเช่นกสินเป็นต้นไว้ด้วยเพราะมุ่งความคนแหล่งแง่กล่าวคือข้อธรรมตอนต้นถึงเนวสัญญานาสัญญายตนะ ยกมาแสดงในฐานะเป็นภาวะจิตที่เข้าถึงส่วนข้อธรรมต่อจากนั้นยกมาแสดงโดยฐานเป็นวิธีปฏิบัติเพื่อเข้าถึงภาวะนั้ น, น, น